ในโอกาสของการฟังธรรมก็ควบคู่กันไปกับการได้พิจารณาพร้อมทางการปฏิบัติกันโดยเฉพาะการ ที่เราได้กําหนดในเรื่องของรูปนามขันก็คนเราก็มีรูปที่นั่งอยู่เอาปยวะน้อยใหญ่ประกอบประชุมขึ้นก็เป็นกองรูปขึ้นมาที่ว่าเรียกในหนึ่งก็ โดยธาตุสีดินน้ำลมไฟมาประชุมขึ้นมีของเหลวของแข็งความร้อนแล้วก็โบกไปมาดินน้ำลมไฟถ้าเรายิ่งกำหนดการภาวนา การใส่ความบางโอกาสต่มาต้องใช้ว่าเราต้องใช้ความนิ่งแล้วก็ดูสิ่งที่เคลื่อนไหวแต่เราต้องไม่หวั่นไหวผู้ภาวนาต้องจับหลักให้ได้เราจเจริญสติ แล้วการภาวนากำหนดบางทีเราใช้ความนิ่งเพื่อดูสิ่งที่เคลื่อนไหวแต่ว่าจิตของเราเนี่ยไม่วันไหวจึงเกิดสมาธิจิตได้ฉะนั้นสมาธิจิตเนี่ย ก็บอกตรงอยู่แล้วว่าไม่ใช่อยู่ที่ขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกน้อยใหญ่สมาธิก็เกิดได้ที่ใจของเราเป็นหนึ่งมั่นคงแน่วแน่ถ้าอย่างวอกแวกหลังเลโลเลฟุ้งซ่านอยู่อย่างเนี้ยจะไม่เกิดประโยชน์ไม่ว่าเราจะทำสิ่งไหน ก็ไม่เกิดประโยชน์จึงจำเป็นที่ผู้ภาวนาต้องอมีจิตเป็นสมาธิไม่มากก็ น, น้อยเราต้องต้องเรียนรู้สมาธิจิตเหมือนกันฉะันในระหว่างที่จะมาบอกว่าเราใช้ความนิ่งดูสิ่งที่เคลื่อนไหว มันก็เหมือนกับดูกายไหวแต่ว่าใจไม่ไหวสังเกตไม่ยงพอมีสิ่งมากระทบเนี่ยมันจะมีคลื่นน้ำก็มีคลื่นเสียงก็มีคลื่นเป็นคลื่นเสียงแม้แต่สัญญาณที่ส่งก็เป็นคลื่นมันมีมีแรงมากระทบ มันมีคลื่นมากระทบแล้วก็ชีวิตของเราเองก็มีคลื่นด้วยชมอย่าคิดว่าชีวิตของเราเป็นผู้ที่อยู่แบบสงบที่ไม่มีคลื่นนะไม่ใช่มีมีไฟยังถูกลมกระโชกโบกไปโบกมา น้ำก็ยังถูกลมทำให้เกิดน้ำท่วมพายุอะไรก็ก่อได้หมดฉั้นถ้าเราไม่มีความนิ่งเลยลำบากลำบากฉะนั้น ควรเข้าใจว่าชีวิตของเรานะต้องมีจุดนิ่งอยู่บ้างความนิ่งความสงบแล้วเราก็จะพิจารณามองเห็นสิ่งรอบตัวสิ่งในตัวสิ่งที่เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปด้วยจิตที่ไม่วั่นไหว แต่ทุกอย่างกําลังเคลื่อนไหวไม่ใช่ว่าเราไปรู้อะไรขึ้นมาจิตของเราเองก็โอ้วุ่นวายฟุ้งซ่านรำคาญใจจนก่อให้เกิดจิตใจของตนเองเนี่ยไม่เป็นสมาธิ เสียสังเกตดูพอคนเสียสมาธิให้ทำอะไรก็จะไม่นิ่งแล้วไม่นิ่งแล้วก็ไม่ทนด้วยนะพอเจออุปสรรคปัญหาทนไม่ได้ การก็จะเสียถึงบอกเออถ้าเรากำหนดได้ใช้ความนิ่งดูสิ่งเคลื่อนไหวใช้ความ ส, สงบสยบความวุ่นวายถ้าได้อย่างนี้แต่มาบอกว่าบุคคลนั้นเป็นต่อจะทำการใดๆจะทำงานใดๆเนี่ยเป็นต่อ เป็นต่อเขาเรียกไม่สเปะสปะแล้วก็ไม่ลงทิศทางถึงบอกเออคนเราถ้ารู้จักรวบรวมจิตให้เป็นสมาธิรู้จักยังให้ใจสงบลงนะี่ แล้วก็มองสปปรรพสิ่งทั้งหลายที่เป็นวัตจักรยมเข้าใจคําว่าวัตจักรไหมมันเป็นการดําเนินที่มันเป็นโดยสิ่งที่มันเป็นไปนโดยกฎของมันเองวัตจักรแล้วก็เราเองก็ไม่ใช่จะไปหยุดวัตจักรได้ หรือว่าไปเปลี่ยนสิ่งนั้นสิ่งนี้ให้เป็นเหมือนที่เราคิดให้เป็นไม่ไดออ้มันเป็นวัตจักรโยมต้องยอมรับก็ว่าวัตจักรแล้วก็ดูชอบพอใจไม่ชอบไม่พอใจอย่าแสดงออก จนมันล้นยมดูน้ำที่เขาเขารินจนล้นแก้วไอ้น้ำที่ล้นแก้วมันไม่มีประโยชน์เลยนะไม่มีประโยชน์มันอยู่ที่ในแก้วรินเท่าไหร่ถ้ามันล้นแล้วก็ไม่มีความหมายมีแต่เลอะเปียกเปล่า และสิ่งที่ล้นออกมาน่าเสียดายมันไม่เกิดประโยชน์เะนั้นมีอะไรชีวิตของเราเนี่ยจะให้ล้นออกมานี่คือการควบคุมชีวิตตัวเองเนี่ยให้มีระบบมีระเบียบมีวินัยมีแบบแผน มีความอดทนมีความอดกลั้นเห็นไหแต่ท่านล้นออกมาเมื่อไหร่ความโกรธที่มันมากจนล้นออกมาจมดูสายตาที่ควบคุมไม่อยู่มันล้นออกมาในแววตายมดูน้ำเสียงที่ควบคุมไม่ได้มันล้นออกไปเนี่ย โยมก็กนดูอกับกิริยาที่เราไม่สามารถควบคุมมันได้ตัวเองก็โยมดูภาพที่เราแสดงนะมันเสียหมดแต่ถ้าควบคุมได้นี่เขาเดาเราไม่ถูกนะเขาเดาไม่ถูกคนนี้เขาว่าว่านี่ก็ยังเฉยไม่โตไม่ตอบ เงียบๆเฉยๆเหมือนไม่ไม่แสดงออกมาคนที่เขาพูดนั่นๆเขาชักสงสัยเอายังไงวะนี้มันโกรธหรือเปล่าหรือไม่โกรธหรือว่าโกรธแต่ไม่แสดงหรือเขาไม่โกรธเลยเห็นไหมเขาเดาเราไม่ถูกนะพอยิ่งสีหน้าระวังได้เพ เขาก็ดูปกติไม่เห็นมบีอะไรพิรุษเลยเนะ่เขากลัวเรานะ่ะแต่ถ้าโยมไปว่าไปโวยวายไปพูดซะก่อนแสดงออกแล้วเขาจึงรู้ออกเขาต้องการอะไรเขามีอารมณ์แค่ไหนก็แสดงออก แต่ถ้าเราควบคุมได้นะโยมจะมาบอกใช้ความนิ่งสยบการเคลื่อนไหวหรือว่าดูสิ่งที่มันกำลังไหวอยู่ถ้าเข้าใจเนี่ยเขาวัถอยมาหนึ่งเก้าสองก้าทำให้มองโลกกว้างขึ้นก็ต้องถอย ก็บอกเราไม่ใช่แพ้แต่เราถอยเพื่อดูพางีมันใกล้เกินมันมองไม่เห็นก็ถอยด้วยถึงบอกเออฉะนั้นเราต้องมีการควบคุมทั้งจิตใจความคิดการกระทำพร้อมทั้งคำพูดถ้าโยมเก็บได้น่ะ คือเก็บไม่ใช่ว่าเก็บเก็บกฎนะไม่ใช่แต่เรามีสมาธิสูงรู้อะไรเราก็ยังมีจิตอันมั่นคงมีสติดำรงอยู่ได้แล้วก็ใช้คำว่า สติปัญญานำพาชีวิตฝ่าฟันคำว่าพรมลิขิตหรือชะตาชีวิตเปลี่ยนจากร้ายกลายเป็นดีใช้วิกฤตให้เป็นโอกาสและก็ ทำความสะอาดสิ่งที่สกป ร, รกคนจะยกชีวิตตัวเองได้ไม่ใช่อยู่ที่ชาติระกูลอย่างเดียวไม่ใช่ชาติระกูลเน่เอาละก็เป็นบารมีวัสนาเดิมที่ส่งเสริมแล้วแต่ว่านั่นไม่ได้หมายถึงว่าต้องสาเร็จชีวิตอันสูงสุดในคำว่าชาติระกูลตัวเราเองต้องยกตัวเองขึ้นมา ทำว่ายกตัวเองขึ้นมาก็คือทำสิ่งที่มันเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนร่วมเกิดแก่เจ็บตายจนเขาเห็นว่าเรามีคุณค่ามีความรู้มีความสามารถมีความดีมีการเสียสละ แล้วก็เป็นผู้นําที่เขายอมรับได้วันนั้นเราก็เท่ากับยกขึ้นมาโดยที่เราไม่ได้โอ้อวดแต่ความดีเขาส่งเสริมไม่มีนะว่าความชั่วส่งเสริมคนให้คนนั้นเป็นคนดีไม่มีมันเสมือนเหมือนกับเสือร้ายที่อยู่ในความมืด แล้วก็รอโอกาสที่ขยำ้ำฉะนั้นความชั่วไม่ได้ส่งเสริมให้ใครดีเพราะเมื่ออะไรมันถูกเปิดเผยว่ามีเสืรอรายอยู่ในความมืดคนก็จะแตกตื่นจะหนีกันไปหมดและทุกคนก็จะไม่อยู่ตรงนั้น พอเรากำหนดได้ใช้สติปัญญานำพาจิตใจใช้จิตใจที่มีธรรมนำพาชีวิตใช้ชีวิตที่มีสติปัญญาบวกกับจิตใจไปสู่ เสรีภาพอันยิ่งใหญ่คือความเป็นอิสระที่บริสุทธิ์ผ่องใสสดใสเบิกบานในความคิดเบิกบานในชีวิตเบิกบานในคำพูดและก็เบิกบานอยู่กับการกระทำถ้าพวกเราทำได้การปฏิบัติ ธรรมะจึงบอกอะไรที่เรียกว่าสาเร็จเขาบอกพระอรหันต์เป็นผู้สาเร็จธรรมขั้นสูงสุดธรรมาก็พยายามดูพระอรหันต์ท่านสาเร็จธรรมอันสูงสุดมันคืออะไรคตตตาตอบธรรมะก็รู้ว่าท่านเป็นผู้ไม่มีทุกข์ หมดกิเลสหมดตัณหาหมดราคะส า, าวะน้อยใหญ่เครื่องหมักดองอนุัยนอนเรื่องอยู่ในกำมลสันดานกี่พบกี่ชาติก็ตามท่านทำลายสิ่งนี้จนเป็นจิต ท, ที่ว่างจากกิเลสมีความหมดจด ปราศจากกิเลสเกียรติความบริสุทธิ์ท่านจึงเป็นพระอระหันต์แล้วเราล่ะจะเริ่มตรงไหนที่จะเดินรอยตามพระอระหันต์เดินตามทางตาหูจมูกลิ้นกายใจเดินแบบไหน เดินตามสดิปัฏฐานสีเดินตามอรยตนะภายในภายนอกเราเข้าใจแค่ไหนตมาจึงบอกเออสุดท้ายเนี่ยเราต้องหัดสังเกตแกะรอยชีวิตตัวเอง โยมแกะอรอยชีวิตคนอื่นจนตายยังไม่สำเร็จนะแต่ถ้าโยมแกะอรอยตัวเองและก็สังเกตตนเองโยมเริ่มจากคำว่านั่งยืนเดินนอนอิริยบทก่อนพออิรียบทสี่โยมเห็นสัมรวมอยู่ตรงไหนโยมหาให้เจอ ยืนเดินนั่งนอนสํารวมเอยบตรีอยู่ตรงไหนที่ยมจะสํารวมและบวกกับคำว่าการกระทาตรงนี้เป็นชาตานะชะตาชีวิตเติงว่าการกระทำการกระทําน่มันมีผิดมีถูกมีดีมีชั่วทีนี้ โยมรู้มาว่าทำผิดอย่างนี้อย่างนี้ไม่ผิดอย่างนี้ถูกอย่างนี้ไม่ถูกอย่างนี้ดีอย่างนี้ไม่ดีอย่างนี้ชัว่วอย่างนี้ไม่ชัว่วพอดูอิริยาบถสยืนเดินนั่งนอนสำรวมสำรวมระวังกายกรรม เติมก็าการกระทำ้ามาปุ๊บพระอาหารหันต์ทำแบบไหนที่ควรทำอะไรที่ควรเว้นท่านทำอะไรและท่านเว้นอะไรโยมต้องตามไปดูท่านด้วยไปดูว่าท่านปฏิบัติ คำว่าหมดกิเลสหมดยังไงก็ดูการกระทำของท่านสำรวมระวังแล้วก็ท่านรู้ผิดถูกดีชั่วท่านไม่ทำสิ่งนี้ท่านทำสิ่งนี้ด้วยกาย แล้วก็ดูการกระทำที่ท่านใช้เจรจาด้วยวาจาท่านพูดแบบไหนพูดเป็นผู้ให้หรือพูดเป็นผู้ขอพูดเพื่อละหรือพูดแล้วให้ยึดมั่นพูดเพื่อมีเวรหรือพูดเพื่อไม่จองเวรพูดให้ร้อนหรือพูดให้เย็น พูดช่วยเหลือชีวิตเพื่อนร่วมเกิดแก่เจ็บตายหรือพูดซ้ำเติมชีวิตย่ำยีจิตใจยงมจะต้องคอยแกะรอยแล้วก็ฟังด้วยดูตัวเองให้หมดทุกอย่างแล้วยมจะเข้าใจโอพระอรหันต์โอท่านอยู่อย่างนี้เอง สบายแต่พูดอย่างนี้เองอะไรที่เราทำไม่ได้แสดงว่านั่นไม่ใช่นิสัยอารหาัตยังเป็นตัวกูของกูยังมีเวรยังมีพพอยู่โยมก็ต้องละเลิกเมื่อละเลิกยังไม่ได้ก็ต้องลดหลังลดลงมาก่อน จนสุดท้ายที่สุดนั่งดูใจดูใจใจเป็นบุญใจเป็นบาปใจเป็นสุขหรือใจเป็นทุกข์ดูใจเป็นบุญหรือใจเป็นบาปใจเป็นสุขหรือใจเป็นทุกข์ถ้าเป็นทุกข์ทุกอะไรและทุกนั้นให้ได้ถ้าละใจนี้ไม่ได้อาราันาก็ไม่เกิด แสดงว่าละไม่ได้ตัดไม่ขาดเหตุผลในโลกนี้ต่างคนต่างมีโจรก็มีตำรวจก็มีทหารก็มีมีหมดแต่ว่าเหตุผลของใครที่ไป ทำลายผู้อื่นเหตุผลของใครที่ทำลายผู้อื่นเหตุผลของใครที่ช่วยเหลือผู้อื่นเหตุผลของใครที่มีเมตตาให้กับผู้อื่นหรือตัวเองยงกานั่งดูดูจิตของเราเมื่อดูกายกายเราสงบ บาปไม่มีดูใจเราบาปมีไหมดูให้ดีทุกมีไหมโยมกำหนดให้ได้พอกำหนดไปกำหนดไปใจใสเป็นบุญใจขุนเป็นบาปจิตใจอารวาสนั่นเป็นเวร โยมดูใจของเราจนกว่าความวุ่นวายทั้งหมดสงบลงความอยากได้อยากดีอยากเป็นที่เพื่อตนเองและทำลายผู้อื่นสิ่งนี้ต้องให้สิ้นสูญไปจนกว่าเห็นคุณธรรมมากกว่าวัตถุ เหตุผลคุณธรรมยิ่งใหญ่กว่าวัตถุวันนั้นโยมชนะลืมตามมาเนี่ยยมชนะเลยวัตถุไม่สามารถอยู่เหนือคุณธรรมโยมจะทำตามจิตที่เป็นคุณธรรมไม่ได้ทำตามจิตที่เป็นวัตถุยมอยู่เหนือแล้ว นี่คือบทบาทของจิตของพระอาหารหันต์ที่จะมาเห็นบอกเออท่านมีจิตอยู่ด้วยคุณธรรมเหนือกว่าวัตถุลืมตา ม, มาท่านจึงไม่หลงวัตถุสิ่งย่ยยุทุกอย่างท่านกำหนดได้บอกเออท่านสำเร็จแล้ว คุณธรรมอยู่เนือวัตถุและสุดท้ายคุณธรรมอยู่เหนือสปปรรพสิ่งทั้งหลายชื่อเสียงเกียรติยศอำนาจกามกิเลสตัณหาน้อยใหญ่มันเขาฉลาดเขาเอาสิ่งนี้มาเป็นเครื่องยั่วมารบกวนให้จิตใจของเรานั้นหลงไหลไขว่คว้าหน้ามืดตาลาย แล้วก็ทาลายชีวิตกันในที่สุดเขาจริงบอกว่าจิตบอดปัญญามืดมองไม่เห็นแสงธรรมมองไม่เห็นเห็นแต่แสงเดือนแสงตะวันเขายอมรับแค่แสงเดือนกับแสงตะวันแต่เขาไม่ยอมรับแสงธรรมในใจเขาเอง สุดท้ายคนเมื่อจิตมืดแสงอะไรมันก็คือเป็นแค่แสงสว่างแต่ขาดซึ่งแสงแห่งปัญญาจิตตาไม่มีวิปัสสนา ทำมาไม่เกิดขึ้นในจิตตาสังขารเนี่ยไม่ปรากฏอยู่ในจิตตาของใครทั้งหมดแล้ว น, น่าสงสารสุดท้ายวัตถุก็จะกลับมาค่า คุณธรรมตัวเองหมดแม้วันนั้นทุกอย่างจะอยู่ครบรอบตัวเราก็แต่แต่ดูสิ่งชั่วร้ายก็อยู่รอบตัวเราจิตใจของคนบาปทั้งนั้นที่เป็นบริวัรของเรามีแต่คนชั่วที่ทำสิ่งผิดทั้งนั้นที่อยู่รอบกายเรา มาถามเชื่อใจใครได้ผลประโยชน์ขัดกันวันนี้ก็คือวันตายเพราะอะไรเพราะเราเองก็ทำเช่นนี้ก็จริงไม่แปลกที่คนอื่นเขาจะทำเหมือนกับที่เราทำ แล้วก็เราเองก็ระแวงมีความระแวงอยู่กลัวภัยจะเกิดสุดท้ายไม่มีความเป็นเสรีภาพและการได้อิสระภาพ มันเขาใช้สิ่งนี้มาโจมตีมาหลอกล่อมายั่วยุบีบคั้นมากๆทนได้ทนไปเขาบอกเริ่มจากน้อยไปสู่สิ่งที่มหาศา์ผลประโยชน์ถ้าวันไหวสติไม่ตั้งจิตไม่นิ่งปัญญาไม่พิจารณา สุดท้ายก็แพ้แพ้ใจฝ่ายกิเลสคุณธรรมชาตินี้ล้มเหลวแล้วชาติต่อต่อไปอีกมันก็คือคือเดิมหรือแบบแบบเก่าล้มเหลว อ, อีกฉันอย่าไปรอชาติหน้าการปฏิบัติในการข้ามวัฏจักร ที่มันวนเวียนปลาใหญ่กินปลาเล็กคนมีกำลังกว่าก็ฉกฉวยกว่ามือใครยาวก็สาวได้สาวเอาถ้าเราใช้กฎอย่างนี้อยู่ครอบครัวของเราเองก็ไม่มีความสุขพี่น้องทะเลาะกัน สาวได้สาวเอาใครมีกําลังกว่าก็คมเห็งใครตัวใหญ่กว่าก็ลังแกผู้น้อยกว่านั่นมันคือจิตมารความคิดแบบมาครอบงำคุณธรรมไม่รู้ถูกกดถูกปิดถูกเหยียบถูกฝังอยู่ในจิตของเรา ไม่รู้ว่าเขากดอยู่ได้นานแค่ไหนโยมจะต้องกำหนดให้ได้ดูดูให้เห็นเราต้องหาจุดให้ได้โยมจะยิง มีธนูจะยิงเป้าเนี่ยโยมไม่เห็นเป้าเลยโยมยิงอะไรเหมือนจะปฏิบัติธรรมก็บอกปฏิบัติธรรมแต่รู้ไม่ธรรมะอยู่ไหนธรรมะอยู่ที่ใจโยมแต่โยมไปหาธรรมะอยู่ที่ข้างนอกธรรมาบอกธรรมะมีแต่ไหนแต่ไรแล้วธรรมาก็หาจังเมื่อก่อนเออธรรมะอยู่ไหน ความสำเร็จอยู่ไหนก็ตะโกนหาอยู่หาช่วยเมื่อยเหมือนคนเอาผ้าคาวมาพกขวนะหาจังเลยไปเขียงนาก่อนแล้วเดินไปตามทางที่เดินมาหาไม่เจอ หมดกำลังแล้วเหนื่อยแล้วหายเท่าไรก็หาไม่เจอปวดหัวว้อเอามือรูปหัวเจอเจอภาพพวกหัวภาพเขามาอยู่บนหัวตัวเองมันเหมือนทุกอย่างอยู่ที่ความคิดอยู่ที่สติอยู่ที่ปัญญามันอยู่ที่เราแล้ว ทำไมไม่ใช่สิ่งนี้หาให้เจอทำไ ม, ไมทำไมเราไม่เจอสิ่งเหล่านี้จะบอกเออหาความสำเร็จไปหาที่คนอื่นไม่ได้เราเพียงดูเป็นเยี่ยงอย่างเป็นตัวอย่างแต่ละคนก็มีจุดเด่นจุดบอดของทุกๆชีวิตสรรพสิ่งทั้งหลายไม่มีอะไรที่สมบูรณ์แบบไม่มี ใครบอรตอมาสมสมบูรณ์แบบตมาก็รู้อยู่ในใจว่าทุกทุกคนต้องมีจุดของแต่ละคนจุดอ่อนจุดเด่นมีจุดที่ควรแก้ไขแต่ว่าใครแก้ไขได้แค่ไหนใครมองเห็นตนเองได้เท่าไหร่พอโยมกำหนดลงไปในวังวนแห่งวัฏจักร มันยมนั่งอยู่แล้วก็มีสิ่งที่หมุนอยู่รอบตัวของเรานะถ้าเรานั่งไม่นิ่งแล้วก็คว้าไปคว้ามาที่มันหมุนอยู่รอบตัวเรามันเหนื่อย ถ้าไม่พิจารณาก็ไม่รู้ว่าเราต้องการอะไรกันแน่ขว่วยคว้าไปไขวยคว้ามาสุดท้ายชีวิตต้องการแค่อาหารยามหนาวต้องการเครื่องนุ่มขมยามเจ็บป่วยต้องการหยงยาแต่ก่อนสิ้นชีวาต้องการกาลังใจแห่งความดีที่เรามีอยู่ในชีวิตจิตที่เกิดมา โยมขาดอะไรก็ขาดได้แต่สิ่งสุดท้ายเนี่ยความดีก่อนตายเนี่ยถ้าหาให้จิตใจไม่ได้หน้าสมเพศหน้าเวทนาและก็หน้าสงสารใครก็ช่วยไม่ได้ในบัดเดียวนั้นตามาบอกต้องให้อยู่ในตระกูลไหนมีฐานะมั่งคั่งแยกจนค้นแค้น เพียงไหนก็สุดแล้วแต่ถ้าหากํำลังใจที่เป็นความดีเติมให้เต็มก่อนตายไม่ได้จะมาบอกคนนี้เป็นคนที่เกิดมาไม่มีวาสนาเป็นผู้ไม่มีลาภเอ้าช่วยอยเข้าใจนะว่า ทุกอย่างเตรียมพร้อมหมดหลายคนก็บอกนะแต่ฉันจะตายถ้าผมจะตายไม่ต้องห่วงลูกหลานผมมีเงินเรียบร้อยตเตรียมไว้หมดทําเป็นพิธีในกรรมเขียนไว้แล้วให้ตั้งสอบกี่วันตายแล้วจะเอากระดูกไปไหนแต่มาไม่สนใจตรงนี้เลยหมดลมหายใจสิ้นสุดยุติเกมจบนั่นคือร่างกายไม่ไม่ได้เป็นความดีความชั่วเลยตรงนั้น คนโทษไม่มีอะไรเลยตรงนั้นมีแต่คำว่าเน่าเปื่อยแล้วก็เน่าเหม็นแต่มาไม่ได้วัดตรง้วยว่าพอตายเสร็จจะต้องมีอะไรต่อตามบอกลมหายใจสิ้นสุดเกมหยุดหมดแล้วร่างกายนี้ไม่ดีไม่ชั่วไม่ผิดไม่ถูกไม่มีบุญไม่มีบามีแต่เน่ากับเหม็นเรื่องจริง อบางคนเตรียมไม่จังเลยต่อมาบอกเข้าใจถูกแต่ว่ามันไม่มีประโยชน์นั่นมันคือจัดงานศพไม่ให้คนรุ่นหลังเขาเดือดร้อนหรือว่ากลัวว่าลูกหลานเขาจะไม่ทำให้ตรรมาไม่สนไม่เผาก็ให้เน่าตรงนั้น ถ้ามีความดีอย่าไปกลัวว่าคนเขาจะไม่สรรเสริญไม่ไหวเทพธยดาดีเขายกมือไหว้เขาพูดถึงความดีนะแต่ก่อนที่จะพูดถึงความดีเทพธิดาต้องแสดงเป็นผู้ช่วยเหลือก่อนเอาเอาง่ายๆทําไมคนเขาย่องย่องประบุญจินเป็นเทพเจ้า ทรงไว้ซึ่งความเป็นธรรมต้องทำประโยชน์ก่อนเสียสละก่อนให้กับประชาชนหรือว่าคนทั่วไปถ้าไม่ทำอะไรเลยโยมเทพเจ้าเกิดไม่ได้สารที่ใหญ่ๆโตๆที่ก็มีการเคารพกราบไหว้สักการบูชา ล้วนแต่มีที่มาทั้งนั้นเป็นผู้ให้ชีวิตผู้เอือเป็นผู้ช่วยเหลือเป็นผู้ผ ด, ดุงคุณธรรมเป็นผู้บำบัดทุกข์บำรุงสุขถ้านอกจากนั้นจะมาก็ดูพระโพธิสัตว์ก็อยู่ในข่ายนี้เหมือนกันถ้าไม่ เศษละแบ่งปันเกื้อกูลช่วยเหลือเวนายสัตว์แล้วเนะี่ย ว, ว่าพลิษัตว์ไม่มีในโลกนี่แต่เพราะเหตุที่ว่าช่วยถึงบอกเ อ, อ่ยิ่งภาวนาปฏิบัติพอเข้าใจหลักความจริงทุกคนรู้ว่าตาย แต่ตายแบบไหนที่บอกแล้วว่าเราไม่ตกใจเมื่อเห็นความตายไม่สะดุ้งเมื่อรู้ว่าตายเขาสร้างชีวิตก่อนตายไม่ใช่ทําพินัยกรรมให้เรียบร้อยก่อนตายแล้วเกว่าเรื่องทุกอย่างอันนั้นมันเรื่องของแต่มาจะบอกว่าเป็นขยะได้ไหม อาจจะหนักไปหน่อยมันเป็นเรื่องของแบบสมบัติผัดกันชมแต่ตัวเราเนี่ยไม่มีความดีที่เติมให้จิตวิญญาณกำลังจากไปเนี่ยสมบัติมันเหมือนไร้ค่าเลยนะมีโอกาสมีความดีที่เราจะแสดงที่เราจะทำได้แต่บทนี้เราไม่แสดงความดีไม่เสียสละไม่แบ่งบัตร ใจไม่มีเลยควาว่าเมตตาช่วยเหลือเผื่อแผ่อ บ, อ, บอ้อมอารีไมตรีจิตไม่มีแล้วสุดท้ายคนนี้เขาไปงานศพเขาก็ไปอย่างั้นแหละเห็นแก่นหน้าคนเป็นแต่มาบอกนะคนยุคปัจจุบันนี้ที่ไปงานศพกันลึกๆเขาเห็นแก่นหน้าคนเป็น ไม่ได้เห็นแก่คนตายในยุคนี้แต่ถ้างานไหนที่เขาไปแล้วเ็าเห็นกับคนตายนะตอนนั้นมมาบอกเข้าไปงานศพจริงๆไปเสร็จพูดกระดิกนะพูดเมื่อก่อนคนนี้เป็นอย่างนั้นเขาเคยอย่างนั้นเขาเคยทำอย่างนี้เขาเคยโอ้โห ถูกย่องย่องสรรเสริญพูดความดีเห็นไมยมบอกต้ามาบอกเทพเจ้าก็ไม่จะมาจากไหนไม่จะมาจากไหนก็มาจากบําเพ็ญนี่แหละความดีงามกุศล ส, สร้างช่วยเหลือคนตกทุกข์ได้ ย, ยากช่วยเหลือคนกำลังลำบากช่วยชี้ทางทางสาว่างให้ชีวิต ถึงบอกเออแต่นั้นโยมอยากเป็นเทพะนะแล้วคิดว่ามีเวลาเยอะโอ้ไม่เยอะเวลาทามหาเลี้ยงชีวิตกบปล้นเราไปตั้งเกือบชีวิตแล้วถูกไม่โยมโยมต้องคิดว่าเออพอจะมีกินมีใช้แล้วเออเราถึงจะพอจะมีเวลาที่จะทำสิ่งเหล่านี้ได้ถ้ายังท้องหิวปากแห้งอยู่นะ เศเถอะฟังไม่รู้เรื่องเราตาลายอยู่ไหเห็นเห็นเสาวลวยังเป็นขาหมูอยู่เนี่ยคงไม่ไหวถ้าหิวขนาดนั้นอยู่ถึงบอกว่าคนที่จะเงี่ยวหูฟังธรรมะได้จะมาว่าหลายฝนแล้วละ่ะ แล้วก็อยู่อีกไม่รู้ว่าจะทนทานได้กี่ฝนมงคนที่จะฟังธรรมก็เริ่มแล้วไอกรกคแขกเลยงคนหูก็ชักตึงๆเลยนะตาชักหย่อนๆย่อนหูชักตึงๆจริงพูดอะไรต้องซ้ำซ้ำสองย้ำบางคนก็ชักจะจำหน้าจำหลังไม่ได้แล้ว มีหลายคนพมาแม่พระอาจารย์ปัญญายฟังแล้วดีจริงแต่ยมจำไม่ได้เพราะเออให้ยมรู้ว่าดีแตม่มาก็พอใจแล้วแค่นี้ก็พอและโยมไม่ต้องจำหรอกโยมขอให้ยมทำในสิ่งที่ควรทำความจำมันไม่เที่ยงแต่ว่าเราก็ จำแต่สิ่งที่ควรทํำด้านเองที่สิ่งดีๆพอแล้วด้านโยมต้องเติมเติมชีวิตให้ได้ก่อนตายก่อนร่างกายที่หยุดนิ่งลมหายใจที่ไม่เข้าออกวาจาที่พูดไม่ได้ตอนนั้นเพอหยุดทุกอย่างโยมอยากจะทําอะไรคิดอะไรเวลานั้นเนี่ยมันจบแล้วถึงบอก ตมาเห็นนะฉากนี้เห็นเพราะเคยไปเยี่ยมพระด้วยกันท่านก็อาพาธนะก็ดีๆกันเนี่ยอายุแค่ห้าห้าสิบปลายๆนะแต่ท่านกำลังใจดีนะก็เลยบอกท่านบอกนิมนนะนิมนรีบหายเสีย ท่นก็รีบนมมือบอกขอบพระคุณมากครับพระอาจารย์ก็อาตมาก็บอกพูดกับพระด้วก็บอกผมรู้นะว่าท่านยังอยากทำอะไรอีกหลายๆอย่างที่ยังทำไม่เสร็จและที่คิดอยากจะทำบอกโหพระอาจารย์โดนใจผมเลยนี่ถ้าผมหายนะลุกออกจากโกรงพยาบาลเมื่อไหร่นะ ผมรู้สึกว่าผมจะต้องรีบทาอีกหลายๆอยา่างเมื่อก่อนเราโอเอกันไงเดี๋ยวกอ่อนยังเช้าอยู่นั่งพัชก่อนพอสายเดี๋ยวก่อนยังไม่เที่ยงเลยเวลายเยอะนายโยมชีแม่ไรแม่รอะไรก็รตกเที่ยงไม่เป็นไรบ่ายแหมเช้าทำมาหน่อยบ่ายกำลังรถอนพักผ่อนกายาเช่นหน่อย หลับกายานอนไปถึงห้าโมงเย็นพตเกเย็นเอาละพ่งพ่งนี้ก็ยังมีอย่ารีบอย่าร้อนไปไหนบ้านกำลันหนีไปไหนต้นไม้ก็อยู่ที่นี่เอาค่อยๆแล้วกันผลัดไปเรื่อยๆนะยยมรู้ไหมเวลาเนี่ย มันเป็นสิ่งที่มีค่าแต่เวลาเวลาที่มันจากไปนะเราไม่ทำอะไรเลยเหมือนชีวิตที่ไร้ค่าเลยยมซื้ออะไรได้นะแต่ยมซื้อเวลาไม่ได้และซื้อชีวิตคืน กลับมาไม่ได้ถ้าซื้อชีวิตคืนกลับมาได้นะโอ้โหโลกนี้ได้อยู่วันนี้อีกครึ่งหนึ่งจริงๆสิ่งร้ายสิ่งร้ายเหตุการณ์เลวร้ายทั้งหลายก็จะถูกเปลี่ยนแต่มันเปลี่ยนไม่ได้ถึงบอกเวลาเป็นเงินเป็นทอง พวกเราพวกอย่างนี้อยู่เรื่อยนะแต่เมื่อเวลาผ่านไปแล้วเวลานั้นซื้ออะไรไม่ได้เลยมันเป็นสิ่งที่มีค่าและก็เป็นสิ่งที่ไร้ค่าที่สุดอยู่ที่โยมใช้มัน เติมให้เต็มก่อนอย่างน้อยโยมบอกเองว่าเราจะตายแบบไหนสุขติทุกติหรือตายอย่างผู้ไม่รู้ว่าจะไปไหนน่าสงสารนะจนบัดนี้หลายคนฟังธรรมหลายคนเป็นผู้ภาวนาปฏิบัติยังไม่รู้ด้วยซ้ำ แต่รู้ว่าตายเจวันตายที่มาจิตตาวันนั้นเขาตอบโยมว่ายังไงมีพุท ธ, ธาธรรมาสังคาแค่ไหนพิจนานดูถ้าโยมไม่มีจิต ในขณะที่จากสู่ความสงบเลยหรือทำใจให้สงบเลยจนะิตยังหลงบกมุ่นอยู่เนียทั้งทั้งที่เราจะจากไปในอีกไม่กี่นาทีเนะี่ยพูดถึงทรัพย์สมบัติแล้วมันมีค่าอะไรนั่นเป็นของคนรุ่นต่อไปสมบัติของมนุษย์ ต้องคำสามยมจำไว้มันประราาดอยู่อย่างนะ่ะว่าใครก็ตามที่เป็นเจ้าของจับจองได้แต่เอาไปไม่ได้พูดเป็นของตนเองได้แต่เอาไปไม่ได้ให้กินดื่มอาบใช้ได้แต่ก็ให้ใช้ได้ในแค่หนึ่งชีวิต พอจบในหนึ่งชีวิตตรงนั้นทุกอย่างสิ้นสุดเมื่อนางเรวดีรวยแค่ไหนก็ตามทรัพย์มีมากเท่าไหร่ก็ตามนางไม่รู้จักนำมาใช้พอวันที่นางสิ้นชีตคติของนางก็คือตกสู่อบายภูมิมีนรกเป็นต้นไฟลุกโหม พร้อมนี้จะหมกไหมหรือเผาไหมนางเร ว, วดีนางว่านางมีทรัพย์เยอะขอให้นางได้กลับไปสร้างบุญกุศลก่อนนายดียบาลบอกเธอไม่มีทรัพย์ทรัพย์เธอไม่มีชีวิตเธอหมดแล้วเห็นไหมโยมทึกบอกทรัพย์สมบัติทรัพย์สิ่งทั้งหลายชื่อเสียงเกียรติ มันเหมือนกับดวงจันทร์ที่อยู่ในน้ำเวลามองเห็นมันอยู่ใช่แต่พอเอาจริงๆจังๆนะต่อให้โยมกระโดดลงไปกอดมันคว้ามันไว้มันไม่ใช่พอขึ้นฝั่งมองลงมาอีกก็ยังเห็นดวงจันทร์ที่อยู่ในน้ำอีก ชีวิตจริงดูเหมือนว่าเรามีทุกอย่างเหมือนอยู่ในน้ำแต่พอเอาจริงๆชีวิตคว้าน้ำเหลวจริงๆขคว้าน้ำเหลวโยมเคยได้ฟังนิทานเรื่องสุนักโลภมากใช่ไหมสุนักตัวนี้มันหิวโซอยู่หลายวันแล้ววันนั้นก็เข้าไปตลาด ก็เจอแม่ค้าขายขายไก่ได้โอกาสสุดนักก็จ้องอยู่ตาเปิดมันวิ่งขาบไก่ได้ก็วิ่งสุดเลยพอพ้นตลาดก็วิ่งไปหาที่เหมาะเดี๋ยวจะกะว่าจะกินไก่นี้ให้อริอร่อย สมกับที่หิวในระหว่างทางก็ต้องข้ามสะพานพอข้ามสะพานสุนัร ก, ก็มองลงเข็นไก่ตัวใหญ่อยู่ในน้ำอีกตัวหนึ่งมันขยายเงามันขยายใหญ่มองในน้ำโอ้โหเอาแล้ววะ ได้ไก่อีกตัวหนึ่งตัวใหญ่ซะด้วยพอคิดได้ก็อ้าปากแล้ะไก่ก็ตกลงน้ำให้ไก่ที่เห็นอยู่ในในน้ำก็หายไปด้วยมันร้องว่าไงมามโยมอดอดอดเอง็งเอง็งเอง็เองตายตายตาย มันร้องว่ารวมความมัาหมาอดตายโยถึงบอกจอมาทุกวันนี้จะมาราะู้ว่าจิตใจเราไม่มีความดิสยาหรืออยากได้อยากมีอยากเป็นที่ต้องการแบบไม่มีที่สิ้นสุดจะมารู้ว่าจิตอย่างนั้นมันไม่ใช่แล้ว กับดูหน้าองสารด้วยคนที่ยิ่งมีมากเท่าไหร่ดูเหมือนควบคุมคนเดียวไม่ไหวแล้วเนี่ยหน้าองสารต้องมีความาหวาดระแวงใช้คนนั้นถ้าไม่เชื่อใจก็ใช้ไม่ได้ถ้าเชื่อใจมากเดี๋ยวเกิดเขาเขาโกงขึ้นมาเราจะทำย่างไร ที่นั่นเกิดปัญหาที่นี่มีปัญหาที่นั่นคนงานสไตล์ที่นี่ของขาดที่นั่นของขายไม่ออกเครื่องจักรเสียโอ้ชาลพัฒ์ที่จะเกิดขึ้นดูบ้านตึกใหญ่รถคันใหญ่อาหารมื้อโตโยม อ, อย่าไปสรุปชีวิตก็ว่าโอ้เขานี่แบบมีความสุขมาสมบูรณ์แบบไม่ใช่สิ่งที่เห็นนั่นคือฉาก นั่นคือภาพที่เห็นแต่ชีวิตจริงๆเราไม่ได้เห็นชีวิตเขาบางทีเขายังอิจฉาพวกคนงานเลยบอกเออพวกนี้ดูที่พอพักเที่ยงมันกินเสร็จมันนอนกันอ้วไม่ได้นอนอัวนอนไม่หลับต้องไปเคลียร์ตัวเลขกับธนาคารอยู่มีคู่แข่งเกิดขึ้นอีก อ็ขายดีต้องขายายอีกคิดเลยโยมว่ามันมีความสุขแต่มาบอกเออเรารู้สึกสงสารมากกว่าอิจฉาแล้วเขาจะมีเพียงไหนก็ตามเขาก็มีได้แค่หนึ่งชีวิตที่ให้กินดื่มอาบใช้ใจ่ายแล้วก็ไม่มีสิทธิพิเศษเหนือกว่าเลยเกิดแก่เจ็บตายเป็นรางวัลของชีวิตทุกคน มาได้มาแล้วก็ต้องแก่เจ็บตายเขาก็ไม่ได้ดีกว่าเราเท่าไร่แต่เขาเหนื่อยกว่าเราเมื่อเหนื่อยกว่าเราหน่อยเขากินดีหน่อยนั่งที่สบายหน่อยก็เออมันก็สมเหีสมผลเขาเรียนมาเยอะลำบากมามากเออเขาทำงานดีๆหน่อยมันก็ถูกต้องแล้วยอมมองงี้แล้วสบายใจ เ, ออเรามันเรียนน้อยทำงานใช้พละงกำลังเออ เราสบายตอนต้นกันมาลำบากตอนปลายแต่เขาตอนต้นเ้าก็ลาบากต้องเรียนต้องท่องเขาสบายที่การเป็นอยู่แต่ชีวิตจริงๆอย่าไปตัดสินใจว่าเขามีความสุขกว่าเราไม่จริงคนขับรถส่วนตัวกับคนขับแท็กซี่โยมบอกว่าทุกคนมีความสุขกว่าคนขับแท็กซี่จำเอาไ เอ้แท็กซ oh, oh, ี่บางคันขับรถฟังเพลงตลอดผิวปากเขาพอใจแล้วชีวิตเขาอยู่ตรงนี้เขามีอิ่มปากอิ่มท้องได้มีที่หลับที่นอนที่อยู่ที่อาศัยเขาพอใจตรงนี้แล้วและเขาก็ไม่ได้เกลียดครลานก็ทํางานอาชีพสุจริตสุขภาพร่างกายเขาก็แข็งแรงลูกหลานเขาก็ส่งเรียนได้ ก็ออมีอย่างไงอย่างไงก็ชีวิตเดียวจะกินดื่มอาบสักเท่าไหร่มันก็แค่ท้องเนี้ยบอกเออเข้าใจสัจธรรมเสนหน่อยอย่าไปติดมองแค่ภาพที่เป็นวัตถุบอกสิ่งที่เห็นอย่าไปเข้าใจวันที่เราเห็นลึ ก, ลก เขากินไปทะเลาะไปก็มีถึงเวลากินไม่ได้กินก็มีบ้านมีทั้งหลายหลังยุมเห็นไหมหลายคนนะโก็เขามีบ้านหลายหลังนะจ้างคนไปอยู่ยมรู้ไม่เจ้าของบ้านนั่าสงสารปีหนึ่งไปนอนอยู่แค่สองสามคืนเอง เอาให้เที่ยห้าวันสามสามร้อยหกสิบห้าวันเจ้าของจริงๆที่เป็นชื่อในฉนดบ้านที่ดินไปนอนอยู่ห้าวันแต่จ้างก็ดินมาอยู่สามร้อยหกสิบวันเต็มๆใครเจ้าของบ้านตัวจริงโยมว่านฮะโยมเช้าออกแล้วแปดโมงขับรถออก กลับมาถึงบ้านทุ่มสองทุ่มแม่บ้านอยู่ยีิบสี่ชั่วโมงใครอยู่บ้านมากอาการโยมอะคนใช้แม่บ้านในอยู่บ้านมากกว่าเจ้าของบ้านนะโยมเห็นไหมโยมมีเฟอร์นิเจอร์ในบ้านเด็กมามันก็นั่งมองเห็นเจ้าของบ้านไม่อยู่โยมนึกว่ามันจะนั่งพื้นมาไฝาห้างนั่งโซฟาเปิดดูนินจาดีวกว่านะ พอทิ้งตองมาก็ค่อยหมอบลงแล้ววิ่งไปเปิดประตูแล้วก็เปลี่ยนพอเจ้าของบ้านไปใครใหญ่โย ม, โมว่าโถหมูเฮ้าเ้อะยึดหมดแล้วล่ะคอนโดกี่กี่หลังกี่หลังในยึดหมดกี่ชั้นกี่ชั้นยึดหมดในกรุงเทพห้างร้านสินคะามูเฮ้ายึดหมดแล้วสิไปสใส่ในแท็กซี่ยึดหมดแล้วโว้ย มดอิหรีด้วยวัวมาเล่นอีสานยึดมาแล้วยมอยู่มาแล้วบ้านจัดสรรคอนโดกระลึกขาดลังกี่ล้านเนี่ยขาดแม่บ้านอยู่ไม่ได้ไม่ได้ต้องมีคนทำงานบ้านอยู่และยมต้องจ้างให้เขาอยู่เองนะบางคนบอกเอออยู่บ้านดูแลดีนนาเจ้าของบ้านไม่อยู่นานนานมาทีซื้อที่ตา อ, อากาศด้วยนะ อยู่ปีหนึ่งสามน้อยหกสิบวันพอเจ้าของบ้านมาไม่ค่อยพอใจเมื่อไหร่จะไปที่ทีหน้าเบื่อรำคาญมาใช้นั่นใช้นี่ไปไปซะอยู่นานๆชักเป็นเจ้าของบ้านเองรู้สึกมันผูกพันยังไงไม่รู้แล้วเจ้าของบ้านนอนกี่คืนมาถามโอหาเงินกี่ล้านมาซื้อ เจ้าของตัวจริงเนี่ยยมโยมโยมครหม่เฮ้าเดอ้อเห็นไหมโยมสบายดังนั้นโยมอย่าไปไปดูว่าชีวิตมันโอ้โหมีทรัพสมบัติมันต้องจ่ายยืดยาวหนึ่งชีวิตเจ็ดแปดสิบปีก็เตรียมแล้วโยมเริ่มหอบงาบงาบละไอจะเป็นเลือดละ เรื่องจริงไม่เชื่อนะเอาคนแปดสิบมาวิ่งร้อยเมตรดูดิจับเวลาดูโ ห, โหโยสถิติโลกนับไม่ได้เลยนะแต่ที่รู้ๆ้ต่มาว่าต้องมีเปหามกันเยอะตายหัวคนใจเต้นไม่ทันโยช็อกถึงบอกเออคนหนุ่มสาวใช่วิ่งได้สนุกได้ แต่พออายุถึงคันนั้นยมบอกว่ามีความสุขเป็นปลายชีวตเมื่อร่ำรวยต่มาบอกไม่ใช่คนแก่จะมีความสุขได้อย่างไรหูตาฝ้าฝากฟันฟันนี้หมดปากพละกกำลังจะหดจะเดินไปไหนก็ถดถอยหมดจะเคี้ยวจะกินอะไรมันก็ไม่อร่อยมือไม้ก็จะสัต ให้กินในติมหน่อยก็ขึ้นหัวเน็บช้าอยู่เนี่ยว่าแต่แก่ขนาดพวกเราสี่สิบกว่านี่กินน้ำแข็งเนี่ยบางทียังขึ้นหัวเลยเนยชักต้องลดลดหน่อยแล้วความเย็นเมนทอนเนี่ยลดเห็นไหมโ ย, ยมว่าเอออย่าไปเข้าใจว่าโอ้โหมีเงินเยอะจะมีความสุขสบายชีวิตบันปลายคนแก่ก็คือแก่โยมนึกดูมาแก่ ต่อใอยู่คอกดีอะไรดีอาหารดีอะไรดีหมดมันวิ่งไม่ไหวโยมมันจะกระโดดแบบมันอยากจะกระโดดเล่นมันก็ไม่ไหวแล้วยอบอกแม่มีความสุขยังเลยต่อเอาทองไปใส่ค่อยคอเอาทองเอาเป็นอานทองก็เถอะโยมมันก็บอกไม่ไหวฉะนั้นอยากเข้าใจนะว่าบั้นปลายชีวิตแล้วจะมีความสุข สังขารมีความเสือ่อมคนที่ฉลาดต้องใช้ชีวิตทุกวัยให้มีความสุขไม่ใช่เรากาจะไปสุขอตอนเจ็ดแปดสิบกสิบคิดผิดพอถึงเวลานั้นจริงๆไม่มีความสุขเราได้ทำลายเวลาชีวิตไปตั้งหกเจ็ดสิบปีแล้วเราจะชดเชยตอนสุดท้ายจะบอกไม่ทันฉนันยมใช้ให้มีความสุข วัยยี่สบกว่าสาสบกว่า0ี่สกว่ายมใช้มีความสุขไม่ใช่เหนื่อยจนกะว่ามองไปอนาคตอย่างเดียวแล้วเราจะไปมีความสุขบรรปลายชีวิตคิดผิดยมต้องมีความสุขไปตลอดสี่สิบห้าสิบใช้ชีวิตให้มันมีความสุขพอดีพอดีนั่นคือสิ่งที่ถูกต้อง อนะสมควรเวลาขอยุติการบรรยายแต่เพียงเท่า น, นี้ขอเจริญพร